เรื่องห้ามภิกษุถมน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายถมน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรมพื้นผิวเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้